บุ๊กทูสามทริสการทำความรู้จัก ส, ส, จสวัสดีค่ะอัลลอสวัสดีค่ะลาบเดียนะ สบายดีไหมคะคซุสสคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะอยตวครปุคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะอยอคุคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ Ar ยุ s ว t v ก k o t e iš a z i j คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะคุณในแม m e อ i e š b ต t ยู ū s gyvenate? Kun ุณ t ย n ่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะอาริอุอิลเกย์แอสเซติยูสเจ้าคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คอ คุณชอบที่นี่ไหมคะอายุเฉปฏึงคะคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะอายุเฉโตสโตกาเยเตมาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะอัปลังกิกตนกาโนสนี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะแจมมานออาเดรสัส เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะาร์เมสริโตขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างอาชิโอกลาก่อนคะ่ะลากก่อนคะ่ะ อีกครับสมาติโมแล้วพบกันนะคะอีกิรเกรตู